ธรรมคุณหกประการคือหนึ่งจวาขาโตพัควตาธรรมโมพระธรรมอันประผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสองสันทิปติโกอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองสาอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการสี 4. เอหิปัติโกควรเรียกให้มาดูได้ห้าโอปนญยิโก ควรน้อมเข้ามาหกปัจจัตตังเวทิตับโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนทั้งหมดนี้เรียกว่าธรรมคุณหกคำว่าธรรมคุณมีความหมายก็คือว่าคุณของพระธรรมท่านจำแนกออกเป็นหกประการ ในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าสวาขาโตพระกวะตาธรรมโมพระธรรมอันประพูมีพระภาคเจ้าจัดดีแล้วคนของพระธรรมบทนี้ท่านกล่าวว่าได้แก่พระสัตยธรรมสองคือปริยัติอ่าปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะปริยัติกับปฏิบัติคือหมายความว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้นั้นดีแล้ว งามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวจะไม่มีความเสื่อมเลยหรือเหมือนกับพุทธภาษิตที่ว่าธรรมจารีสุขังเส ต, ติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกไปในที่ชั่ว ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุขติฉะนั้นในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะไปสู่แต่ความเจริญย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วก็ย่อมเป็นเหตุให้นําไปได้มรรคผลได้นิพพานได้นีนนน่ฉะนั้นปริยัติธรรมนะคาว่าธรรมที่พระพุทธองค์ต ร, รัสไว้ดีแล้วก็ได้แก่พสัจธรรมสองก็คือปริยัติหมายถึงว่าการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนตำรับตำราวิชาการต่างๆทางโลกก็ตั้งแต่เราเริ่มเรียนท่านประถมไปถึงมัธยมถึงอุดมศึกษาได้ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนี่ก็ถือว่าเป็นปริญญาในทางธรรมก็ตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกรเรียนธรรมหนึ่งสองเรียนสามประโยครเรียนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือเรียนพระไตรปิฎกจบก็ถือว่าเป็นปรยิยญติธรรมควรปฏิบัตินะปฏิบัติ ปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราได้ปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษามาโดยเฉพาะในทางธรรมก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแน่นอนที่สุดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็ย่อมถึงปฏิเวทย่อมได้ถึงปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งแทงตลอดต่อสภาวะธรรม เข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็ทําให้เรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความเบิกบานใจสติปัญญาก็เกิดนี่ ก็ย่อมจะได้มรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นที่ได้ชื่อว่าปริยัติก็เพราะอาจัดไว้ได้ได้อย่างจริงนะที่พระองค์ที่จัดไว้ดีแล้วนั้นก็หมายว่าที่ได้ชื่อว่าปริยัติก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้จัดไว้ได้จริงโดยไม่วิประริตแปรผันและแสดงข้อปฏิบัติไว้โดยลําดับไม่ลักลั่นกันที่เรียกว่าภเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงที่ได้ชื่อว่าปฏิบัติก็คือว่าปฏิบัติตามนะตามคำสั่งสอนโดยถูกต้องนะโดยถูกต้องจนเข้าใจแจ่มแจ้งรู้จริงจึงเรียกว่าปฏิเวศเพราะปฏิปทากับพระนิพพานย่อมสมกันนะย่อมสมกันคือ ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่บรรลุมรรคผลต่อเมื่อปฏิบัติย่อมถึงมรรคผลได้นย่อมถึงมรรคผลได้อฉะนั้นธรรมะก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองถ้าเราพูดง่ายๆว่าธรรมะก็คือข้อปฏิบัติแต่ถ้าพูดในระดับเด็กชั้นประถมก็บอกว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราพูดจากนั้นถ้าพูดสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือธรรมะคือธรรมชาติน ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นนะเป็นธรรมะทั้งนั้นหรือเราจะพูดไปหน่อยว่าธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้นะทรงไว้ซึ่งอะไรถ้าพูดกับคนรู้น้อยก็บอกทรงไว้ซึ่งความดีแต่ถ้าพูดกับคนเข้าใจหน่อยก็บอกว่าทรงไว้ทั้งความดีและความไม่ดีและกลางกลาง ดังมีหลักฐานว่ากุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาทำที่เป็น อ, อกุศ ล, รรมม อ, ศลอัพยากตาธรรมมาทำที่เป็นอัพยาเกตคือกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วนี่แหละตัวอธรรมะคือหมายถึงว่าสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งความดีและความชั่วไม่ดีไม่ชั่วคือกลางกลางฉะนั้นแต่ถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายก็คือธรรมะก็คือข้อปฏิบัติอันนี้ถูกต้อง นคือข้อปฏิบัติคือถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติแน่นอนที่สุดธรรมะจะจะอํานวยประโยชน์ให้แกเราไม่ได้น่ะจะอํางงวยประโยชน์ให้แกเราไม่ได้ยิ่งเราปฏิบัติถูกปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตามฐานะของเราก็ย่อมจะอํานวยประโยชน์ให้แกเราเราปฏิบัติมากเราก็ได้ได้สุขมากปฏิบัติน้อยก็ได้สุขน้อยหรือยิ่งคนมีบุญญาปรมีมากก็มีโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานมาก นะฉะนั้นกู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะได้มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะนี่เป็นเรื่องของพระธรรมฉะนั้นจึงบอกว่าสวากขาโตภควตาทังโมลเราสวดกันมาจังเลยบทธรรมคุณแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายนะเราไม่รู้ความหมายถ้าว่าเรารู้ความหมายก็เหมือนกับว่าเรานี้ได้ลิ้มรสผนะลไม้ ก็ย่อมจะรู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรมีรสอย่างไรแต่ว่าเราที่เราว่ากันทุกวันนี้เราไม่รู้เลยตะวักันไปสวาขาโต่อปะกวะตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอปติโกโอปนายิโกป จ, จตังเวทิตาโพวินโยหีแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านเปรียบเหมือนกับคนที่เลี้ยงโคเกินเช้าก็ปล่อยโคออกจากคอกไปสู่ที่หากินตอนเย็นก็ต้อนโคกลับมาเข้าโคอ ย, อย่างเดิม แต่ตัวเองไม่ได้ดื่มปันเจโครสไม่ได้ดื่มน้นํานมโคเลยอคนอื่นนั้นมาดื่มเอาเอาน้นํานมโคไปหมดหรือว่าเขารีดนมโคแล้วก็เอาไปขายให้ผู้อื่นกินหมดตัวเองไม่ได้กินเลยได้จะเลี้ยงอย่างเดียวหรือเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสของแกงคนอยู่ในหม้อแกงทุกวันแต่ไม่รู้เรื่องเลยพวกเราเหมือนกันตรวจมลตรวจพรทุกวันว่าทุกวันสวากาโตนี่อิติปิโสเพราว่าอันนี้ พุทธคุณธรรมคุณสังคุณว่าทุกวันไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่บทคําว่านะโมยังไม่รู้นะนะโมยังไม่รู้นี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเรียนหนังสือกันก็เหมือนกับคนตาบอดไปคลาช้างไปถูข้างช้างก็นึกว่าเชือกคําหูช้างก็นึกว่าพัดนี่คํขาขาช้างก็นึกว่าต้นเสาหรือท่อนซุงไปฉะนั้นเราจะต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัตินะเรียนแล้วก็ปฏิบัติ ประโยชน์จึงจะเกิดขึ้นอัทธรกจึงจะเกิดขึ้นคุณค่าแห่งชีวิตจึงจะเกิดขึ้นมาในข้อที่สองสันทิถิโกอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองอันนี้ก็หมายความว่าผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามคำบอกเล่าของผู้อื่นและผู้อื่นก็หาได้มา เห็นตามไปด้วยไหมตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปท่านกล่าวว่าได้ในปฏิเวษษษษษททัศธรรมอย่างเดียวอันนี้ก็หมายความว่าผู้ที่ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ต้องเชื่อตามคําบอกเล่าของผู้อื่นหมายถึงว่าเรื่องการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบางครั้งเราบอกคนนี้ไม่เชื่อ นะบอกกันนี่มันไม่เชื่อมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะพูดกันจนคอจะแตกก็ไม่มีใครเชื่อนะเพราะมันมันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะเหมือนกับเรากินข้าวเรากินข้าวเองเราก็อิ่มเองเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มนี่การปฏิบัติทำเหมือนกันใครปฏิบัติผู้นั้นก็ย่อมรู้เองเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติก็ย่อมไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้เขาจะมาถามเรา เมื่อเราบอกตามจริงที่เรารู้แล้วบางทีจิตใจของเขาไม่ถึงสติปัญญาเขาไม่ถึงขั้นของเราเขาก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเขาก็ค้านเข า, าไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อก็ ก, ก็เป็นบ่อกเกิดแห่งการทะเลาะเบาแวงกันได้การโต้เถียงกันได้แต่ว่าผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงทาแล้วไม่มีการโต้เถียงกันนะไม่มีการโต้เถียงกันอ่านะข้อนี้สำคัญฉะนั้นเรื่องพระธรรมนี้ ทุกวันนี้เราจึงมาโม่แต่โทษกันนะมาโทษกันฝ่ายพระสงฆ์ก็โทษญาติโยมว่าไม่สนใจทำนะย่ำยีทำทําให้ศาสนาเสื่อมฝ่านะยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ตำหนิพระสงฆ์องค์เน้งงง น, เนว่าประพฤตินอกีตนอกร้อยนะทําให้ศาสนาบวมหมองนะไม่ตั้งใจเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมเราโม่แต่มาโทษกันนะ แต่ว่าเราไม่สามารถขีกันที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหากว่าเราทั้งสองมาลงมือช่วยกันนะอารมณ์อร่วยกันรู้จักให้อภัยกันอนะมาพบกันครึ่งทางแน่นอนที่สุดสันที่สุขจะเกิดขึ้นในสังคมมากนะจะเกิดขึ้นในสังคมมากฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ ใครทําได้มากคนนั้นก็ได้เปรียบคนที่ทําได้น้อยคนนั้นก็ได้รับประโยชน์น้อยได้ความสุขน้อยแต่มีอีกข้อหนึ่งบางคนอาจจะอยู่ในพระธรร ม, มามากแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติโดยถูกต้องสู้กับคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพียงเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็ไม่ได้หรือบางคน เป็นพระสมองค์เลนอาจจะบวชอยู่ในศาสนามานานนะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสปี่สิบ ป, บปีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาโดยท่องแท้หรือว่าไม่ได้ประพฤติธปฏิบัติทำอย่างท่องแท้ก็ย่อมจะสู้กับผู้ที่ตั้งใจประพฤปฏิบัติอมีการสํารวมกายวาจาใจ อ, อาจจะทําให้ผู้นั้นดีดีกว่าผู้ที่บวชตั้งยี่สิบปีสามสิบปีก็ได้นะฉะนั้น เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอาการดําเนินชีวิตของคนเราทุกคนทุกชาติชั้นวันนะเพราะว่าชีวิตกับธรรมะเป็นของคู่กันแยกกันไม่ออกหรือแยกกันไม่ออกหากว่าเราดําเนินชีวิตโดยทำรรแล้วแน่นอนที่สุดความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นแก่เรามากโอกาสที่เราจะได้มรดกได้ผลได้นิพานก็มีมากแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตที่ขาดทำแล้ว เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่ความประมาทความวมเมาความพลังเสือเราก็จะมีแต่ทางที่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและทำให้สังคมไม่เป็นปกติสุขแล้วการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเองนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเอง ใครคนไหนเรียนคนคนนั้นก็รู้คนไม่เรียนไม่รู้คนไหนปฏิบัติคนนั้นก็รู้คนไหนไม่ปฏิบัติคนนั้นไม่รู้ฉะนั้นระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติหรือปฏิยัดกับปฏิบัติเนี่ยบางครั้งก็ไปกันไม่ได้ที่ว่าไปไม่ได้คือหมายว่าบางทีก็เราพูดกันไม่เข้าใจแต่ทั้งสองอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันการเรียนปริยัดก็เหมือนกับการเขียนแผนที่ การเรียนปฏิบัติก็เหมือนกับการเดินตามแผนที่แต่บางทีเราก็มาโต้เถียงกันมาขัดกันความจริงความถูกต้องของสภาวธรรมนั้นมีอยู่แต่เพราะพวกเราไม่รู้จักความจริงความถูกต้องตามสภาวธรรมอย่างทองแท้เราจรึงต้องมาโต้เถียงกันนะมาโต้เถียงกันฉะนั้นข้อนี้ขอให้เราทุกคนจงพินิษฐ์คิดาว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ผู้ได้บรรลุเท่านั้นที่จะพึงเห็นเองนะที่จะพึงเห็นเองเราไปถึงนิพพานแล้วเราบอกว่าแม่นิพพานมีสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนที่ไมถึงเขาก็ไม่รู้ถึงเราพูดให้เขาก็ไม่เชื่อเพราะเขามองไม่เห็นสติปัญญาเขาก็ไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นอันนี้แหละจึงอยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าให้มันสนใจในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาแต่เรียนปริยัตอย่างเดียวควรจะปฏิบัติบ้างนะควรจะปฏิบัติบ้าง ผู้ที่เกิดมานับถือพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมันประชิดและฝ่ายเครือัดถ้าหากว่าเกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็น่าเสียดายเหมือนว่าผู้นั้นอเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เป็นพระสงฆ์องค์เนที่ไม่สมบูรณ์เราจะต้องหาโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าให้รู้จักกำหนดจิตใจของตัวเองนหรือว่าหาที่สงบเท่าที่เวลาจะมีได้เล็ก เลี่ยตัวออกจากฝูงจากหมู่จากคนะอ่าคนเราเมื่อเหล็กออกจากความสับสนอลหมานความสับสนวุ่นวายของกลุ่มชนหรือว่าการสัญจรของรถดาต่างๆไปหาที่สงบที่อกายวิเวกอ่เมื่อเราสงบสงัดกายแล้วก็จะทําให้เกิดจิตวิเวกก็คือสงบสงัดในทางจิตเมื่อจิตวิเวกแล้วก็เป็นบอกเกิดแห่งอุปาิวิเวกก็คือสงบสงัดจากกิเลส อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้แต่ถ้าเราอยู่กับพุกพลีด้วยหมู่อยู่กันในสังคมแน่นอนที่สุดเราก็สุขบ้างทุกบ้างแคล้เคลาวกันไปนะแต่ว่ามันเป็นสุขที่เจือด้วยอามิสเยอะมากฉะนั้นธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งเล็งเราจะต้องหาที่สงบนะทาจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิพระพุทธองค์จึงได้จับไว้ว่าสมาเทิงทิกเวพาเวทสมายโต ยถาภูตังประชานาติภิสษุทั้งหลายจงพากันจเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้นี่ฉะนั้นเรื่องสมาธิจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นบาตฐานที่จะให้เราเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมได้ปัญญาจึงจะเกิดก็เพราะจิตใจเป็นสมาธิถ้าจิตใจไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิด แล้วคนจะหมดกิเลสตัณหาก็ด้วยปัญญาไม่ใช่อะไรฉะนั้นเรพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาปัญญานี่แหละมันกำจัดความมืดคือตัวโมหะตัวอวิชชาปัญญานี่แหละเหมือนกับดาบที่คมสามารถที่จะตัดขวากหนามหรือว่าสิ่งชั่วร้ายคือกิเลสตัณหาให้หมดไปได้หมดไปได้ฉะนั้น ในบทที่ว่าสันทิกโกก็คืออันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองผู้ปฏิบัติก็จะได้เห็นเองได้รู้แจ้งเห็นจริงเองมาในข้อที่สามที่บอกว่าอะกาลิโกหมายความว่าผู้ปฏิบัตินะให้ผลในลำดับแห่งการที่ได้บรรลุไม่ไม่เหมือนผลไม้ที่ต้องให้ผลตามฤดูกาล อันนี <ential> fact, fact, ้ก็หมายความว่าผลละหมากจากไม้นั้นมันให้ผลเป็นฤดูกันผลไม้บางอย่างก็ออกผลในฤดูร้อนบางอย่างก็ออกผลในฤดูหนาวบางอย่างก็อาจจะมีในฤดูฝนก็ได้นี่ผลไม้บางอย่างมันออกเป็นหน้าหน้าเป็นหน้าบางนั่นก็เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสีเดือนห้าเดือนหกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการประพฤติทำปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ไม่ต้องเลือกการมีศรัทธาเมื่อไร่เพราะเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นทันทีนะได้ผลถ้าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วได้ผลทันทีไม่ต้องเลือกการละเทศะไม่ต้องว่าถ้าปฏิบัติเดือนนั้นจึงจะดีปฏิบัติเดือนนี้จึงจะดีไม่เกี่ยวกับการดีทุกวันนะดีทุกวันดีทุกเวลาดีทุกเดือนดีทุกปี นี่แล้วธรรมะของพระพุทธองค์นั้นท่านสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่เก่าไม่แก่นี่ไม่เก่าไม่แ ก, ก, ก่ี่เอาไปใช้ได้ทุกอตลอดเวลาขอให้เรารู้จักใช้นะรู้จักใช้เอาไปใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะนั่นฉะนั้นจึงบอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่เลือกการลผู้ใดมีจิตศรัทธาในการที่จะประพฤติ ธ, ธรมปฏิบัติรำบางเทพฟังธรรม ปติจิต ค, ค, คิดพร้อมเมื่อไรวันนี้ชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้เลยนะปฏิบัติได้เลยและเมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นมีบุญญาบารมีมากเราก็ได้ผลได้มรรคได้ผลได้เดี๋ยวนั้นอีกเหมือนกันนี่แต่ถ้าหากว่าเรายังมีบุญญาวัสนาน้อยมีสติน้อยก็ย่อมจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยทำให้เราได้มรรคผลได้นิพพานในอนาคตข้างหน้าได้ และถึงกันนั้นก็ทำให้เราได้มีสติปัญญาพอจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้บ้างนะนี่เป็นเรื่องของอาการิโกว่าวํา่าไม่ประกอบด้วยกันนะไม่เลือกฤ ด, ดูการข้อที่สีเอหิปสิโกหมายความว่าถ้าทมย่อมมีคุณมหัสจรร์ผู้ได้บรรลุจะพึงปล่าประกาศให้ผู้อื่นปฏิบัติและบรรลุตามเปรียบเสมือน เปรียบเสมือนของประหลาดที่จะพึงเป่าร้องกันให้มาดูคือหมายความว่าผู้ที่ได้บรรลุเนยจะพึงไปเป่าประกาศให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหรือบรรลุตามก็สามารถจะพิสูจน์ได้เหมือนกับของประหลาดนะหมายถึงว่าไอ้ของอะไรที่มันอัศจรรย์นะที่เราจะไปเรียกร้องให้มาดูกันได้เหมือนบางคนได้ เ, เห็นเหตุการณ์หรือของวิเศษอะไรก็เรียกใครมาดูกันได้นี่มาดูกันได้เรียกว่าไม่ใช่ของหลอกหลอนเป็นของจริงเป็นของแท้บอกเลย ว, ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นทนต่อความพิสูจน์ไม่เปลี่ยนแปลงาบางอย่างที่เขาเอามาแสดงให้เราดูอ้างว่าเป็นของวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอพิสูจน์แล้วไม่ใช่ของวิเศษอย่างเป็นการหลอกกันบางอย่างที่เราเรียกว่าย้อมแมวขาย แม้แต่บางทีพระเหมือนกันเราบอกว่าพระองค์นี้เนื้อแท้ดีๆแต่พิสูจน์ตัวอะไเปล่าเนี่ยกาพิสูจน์เซียนต้ตนที่รอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเซียนจริงๆแล้วก็อมองแล้วก็อ๋อนี่ไม่ใช่ของแท้รู้เลยแต่ว่าเซียนที่ตาไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่แปรผันไม่วิปริตแปรผันนะใครจะพิจารณาอย่างไงปฏิบัติอย่างไงก็ยิ่งได้ผลมากเรียกว่าเรียกมาดูกันได้ ว่าเอ้าเราลองปฏิบัติตำนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปอ่าเจริญสมาธิจเจริญสมาธาจะจริ่มมีปรัสนาเราปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนอเชื่อแน่ว่าเราจะต้องได้บรรลุเราจะต้องได้มรรคได้ผลได้นิพพานเราจะต้องได้สติได้ปัญญานี่เรียกมาดูกันได้มาพิสูจน์กันได้นะมาพิสูจน์กันได้โดยที่ว่า ไม่ใช่ว่าพอเราพิสูจน์แล้วกลายเป็นของไม่จริงเป็นของหลอกของหลอนไม่มีนะไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งยิ่งเราปฏิบัติมากพิสูจน์เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแจ้งเห็นจริงมากยิ่งขึ้นนะเห็นแจ้งรู้จริงมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเอหิปสิโกเรียกมาดูกันได้ข้อที่ห้าโอปันยิโกควรน้อมเข้ามาหมายความว่า พระธรรมมีคุณควรที่บุคคลจะพึงน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติหรือควรน้อมเอาพระธรรมนั้นเข้าไปไว้ในจิตในใจของตนเธอหมายความว่าเราทุกคนโดยเฉพาะชาวจะต้องมีคุณธรรมหรือมีพระธรรมอยู่ในจิตในใจถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมอยู่ในจิตในใจแล้วใจมันก็จะตกใจมันก็จะต่ำใจมันก็จะเสื่อมตาม มเมื่อใจตกต่ำใจเสื่อมทรามใจของเรามันก็ย่อนสมัทถภาพไม่มีพลังในการที่จะสร้างคุณงามความดีใจของเราก็จะหาความสุขไม่ได้นะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมีความสุขมากเราจะต้องน้อมเอาพระธรรมเข้ามาไว้ในใจอเอามาประพฤติปฏิบัติที่เราเปล่งวาจาว่าทำมังสนังคัจฉามิออม ขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสาระนังขัตฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสระนังขัตฉามิขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสระนังขัตฉามิขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเอามาไว้ในจิตในใจนะฉะนั้นการที่เราเพึ่งทำก็คือว่าเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเรามาเป็นเครื่องกำหนดเ อ, อจิตใจของเรา ในการที่เราจะพูดหรือเราจะทำจะคิดอะไรก็ต้องมีทำอยู่ในจิตในใจต้องมีสตินะต้องมีสติหรือพูดง่ายๆเราจะดำเนินชีวิตในทางโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีความร่ารวยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องขยันนี่ต้องต้องขยันอุทานสัมปทานี่ก็นี่ก็เป็นพระธรรมนะอารักสัมปทาต้องรู้จักเก็บจับจอ่านะ กาลยานามิตตาต้องคบเพื่อนที่ดีที่งานอสมาชีวิตาต้องรู้จักเลี้ยงชีวิตตามฐา น, นะไไนไะไม่ฟุ่มไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและไม่เื่อมเสืองเกินไปและยิ่งไปกว่า น, นั้นเราก็ต้องมีศีลนะแล้วก็ต้องเว้นจากอบายามุขอีกด้วยนะเว้นจากอบายามุขทุกชนิดหรือเราจะเข้ากับสังคมได้ดีก็ต้องมอีการเสียสละนะเรียกว่ารู้จักแบ่งปัน นะรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ทานรู้จักช่วยเหลือเจือจุนเอนะพูดง่ายๆก็คือว่าโอบอ้อมอารีวจีไพราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอต้นเสม อ, สมอปลายอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขความเจริญดังนะนั้นการปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าเราควรจะน้อมเข้ามาไว้ในใจนะไว้ในใจ การบริหามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีความเพียรอาตาปีคือมีความเพีย่ยนสติมาก็คือมีสติสัมปชนันสัมปชานอกก็คือมีสัมปชัญญะทั้งสามนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลได้ถ้าขาดความเพียรจะแล้วแน่นอนที่สุดก็ไม่สําเร็จประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์จึงได้กล่าวไว้วิริเย์นะทุกขมัตเจติคนจะร่วมทุกได้ก็เพราะความเพียรมาในข้อที่หก ปัจจตังเวทิตัโพโววินยูหิตอันวินญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนข้อนี้หมายความว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมผู้นั้นพึงรู้ธรรมและเห็นผลแห่งธรรมนั้นตามลําพังตนแต่ผู้เดียวผู้อื่นซึ่งม่ได้บรรลุจะพลอยรู้พลอยเห็นไปด้วยก็หาไหม่ไม่ได้บอกไว้แล้วว่าใครกินเองก็อิ่มเองนะเราเจะปวดป่วยไขย้จะไปให้อีกคนหนึ่งเจ็บแทนไม่ได้คนไหนจะปวดป่วยไข้คนนั้นก็เจ็บเอง อแล้วจะไปให้อีกคนหนึ่งกินยาอีกคนหนึ่งเจะป่วยป่วยไข้หายก็ไม่ได้เราเจ็บป่วยป่วยไข้เราเจ็บปวดป่วยไข้เราต้องกินยาเองต้องฉีดยาอ่ามันจึงจะหายแต่จะไปฉีดอีกคนหนึ่งไม่ได้นะฉะนั้นการประพฤติทำปฏิบัติทำนี้ผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติผู้นั้นย่อมรู้แจ้งเห็นจริงเองตามลําพังของผู้นั้นผู้เดียวคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะรู้ด้วยไม่ได้นะเขาจะแอบอ้างอย่างไรก็ให้รู้แต่ว่าเขาไม่ได้รู้จริงน่ะ นี่เป็นเรื่องของธรรมคุณหกพอเป็นแนวทางยอดยอดนะพอเป็นแนวทางยอดยอดทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าพระธรรมคุณบทว่าสว่าขาโตนั้นในประกรณ์อัดว่ามีอัดว่าอย่างไรอพระมติของสมเด็จพระมหาสรณเจ้าว่ากไรแสดงมาดูสองในอันนี้เราก็แก้ว่าในประกรณ์ร่นนารพนาไว้ว่าได้สองอย่างคือปฏิยัติคือปฏิยัติกับปฏิเว แต่บางที่ก็พูดว่าปฏิบัติคือคําว่าสว่าขาโตภควตาธรรมโหนะหมายถึงว่าปฏิยัติกับปฏิเวชคือการศึกษาเล่าเรียนกับการที่ได้ปฏิบัติแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงปริยัตที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็คือได้จัดได้จริงๆเพราะแสดงข้อปฏิบัติโดยลําดับกันที่ท่านเรียกว่าภาัเราะในเบื้องต้นในทถ้ำกลางและในที่สุดประกาศพรมาจันทร์พร้อมทั้งอ่านและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง ปฏิเวทได้ชื่ออย่างนั้นเพราะปฏิปทาของพรนิพพานย่อมสมควรแก่กันนะย่อมสมควรแก่กันพระมติของมหาสมณะเจ้าน่าจะได้แก่ประยัดอย่างเดียวและได้ชื่ออย่างนั้นเพราะจัดอิงเหตุและเพราะจัดแต่พอดีพอกลางๆไม่หย่อนนักไม่ตึงนัก น, นี่ก็เป็นเรื่องของอธรรมคุณหกเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธรรมคุณหกก็พอเป็นแนวทางฉะนั้น นักเรียนนักศึกษาที่ได้ฟังก็พอจะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ในที่สุดแห่งการบรรยายนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้บรรยายในหมวดที่หกในหัวข้อว่าคือหนึ่ง จักขุโสตะคานะชิวหากายมโนสองรูปเสียงเป็นลดโภพภะธรรมสามจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมโนวิญญาณสีจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสห้าจักขุสัมผัสสัชชา เวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาคานสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายสัมผัสสัตชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนารูรูปสัญญาจัตะสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพถภสัญญาธรรมสัญญานี่นี่ก็เป็นเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรส ที่นี้มาในหลักที่เจ็ดก็คือรูปสันเจตนาสัทพสันเจตนาคันทสันเจตนารสะสันเจตนาโพธพสันเจตนาธรรมสันเจตนาแปดรูปตันหาสัพพตันหาคันทตันหารสตันหาโพธพตันหาธรรมตันหาเก้ารูปวิตติกหรือรูปวิตตกหรือรูปวิตตกะสัพพวิตติกะคันทวิตตกะ รัวิตรกะโหดัพพรวิตรกะธรรมวิตรกะสิบรูปวิจารสัทธาวิจารคันทวิจารรัศวิจารโหดทัพพวิจารธรรมวิจารทั้งหมดนี้เรียกว่าปิยรูปสาตรูปหมวดละหกมีอยู่สิบหมวดมีหมวดละหกข้อหมวดละหกชนิดนมีอยู่สิบหมวด ประการแรกขอยท่านมาทําความเข้าใจกับคําว่าปิยรูปคําว่าปิยรูปหมายความว่าสภาวะอันเป็นที่น่ารักสาธารูปหมายความว่าสภาวะเป็นที่น่าชื่นใจน่ายินดีนน่ายินดีปิยะแปลว่ารูปปิยรูปพูดง่ายๆคือรูปที่น่ารักอสาธารูปก็เป็นรูปที่น่ายินดีน่าชื่นใจแบบนั้นเนี่ย ด้วยเพ่งอิบฐารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดคือหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าชอบใจน่าปรารถนาเป็นบอกเกิดแห่งตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นในปีรูปสาธรูปเหล่านี้และเมื่อจะดับก็ย่อมดับไปในปีรูปสาธรูปเหล่านี้ทุงททราบรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในหมวดที่หนึ่งบอกว่าอายตนะภายในหมวดที่สองอายตนะภายนอกหมวดที่สามวิญญาณนะวิญญาณหรือว่าวิญญาณทั้งหกนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมากระทบกันเข้าจึงเกิดเป็นวิญญาณเช่นจักษุตาเห็นรูปเป็นต้นน่ะ จับสุกนะเห็นรูปอตานะตากับรูปกระทบกันนะก็เกิดจักขวิญญาณนะเห็นรูปขึ้นความรู้สึกที่อาศัยตากับรูปกระทบกันนั้นเรียกว่าจักขวิญญาณนะจักขวิญญาณก็เกิดขึ้นเรียกว่ารู้ทางตาอ่ารู้อะไรอาจจะรู้เอเห็นรูป สีเป็นรูปจังนั้นรูปจางนี้นนสีนั้นสีนี้อะไรเนี่ยเราจะเห็นขึ้นมาจากทางวิญญาณจากกุวิญญาณในข้ออื่นก็เหมือนกันหูหูกับเสียงกระทบกันนะโสตะกับเสียงกระทบกันหรืออาศัยกันมาประจวบกันเข้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณนะโสตวิญญาณความรู้สึกทางหู ทางจมูกก็ end, เรียกว่าคานะวิญญาณนะเรียกว่าคานะวิญญาณรัศววิญญาณะปวดทพะวิญญาณอะไรนี่ก็เกิดขึ้นอย่างนคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณนี่มันก็เกิดขึ้นนี่แหละจึงบอกว่าเมื่อมันเกิดอจักกุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณอชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น ทำให้เราก็รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกนะรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจไอ้ความรู้สึกต่างๆนี่แหละที่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณแล้วความรู้สึกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะกายใจที่มาในหมวดที่สี่ในหมวดที่สี่ก็บอกว่าสัมผัสนะ สัมผัสสัมผัสสัมผัสเมื่อจะเกิดก็ต้องอาศัยความประกอบแห่งธสามประการคืออายจตนาภายในอายจตนาภายนอกและวิญญาณมากระทบกันเข้าจึงเกิดสัมผัสขึ้นนะจึงเกิดสัมผัสขึ้นเช่นตาลูกกระทบกันเข้าก็เกิดจากขุวิญญาสามประการ น, นี้มาประจบกันเข้าเป็นจักขุสัมผัส เป็นตัวอย่างจะกุสัมผัสเป็นตัวอย่างคือสัมผัสกับรูปขึ้นแล้วว่างั้นนะสัมผัสขึ้นก็ทําให้เรารู้ว่ารูปนั้นดีหรือไม่ดีอรูปนั้นดีหรือไม่ดีเสียงนั้นดีหรือไม่ดีเกลิ่นนั้นดีหรือไม่ดีรสนั้นดีหรือไม่ดีหรือการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดอะไรดีไม่ดีนี่เรารู้นี่เกิดเพราะการสัมผัสเกิดด้วยการสัมผัสสามประการสัมผัสสามประการ มาในหมวดที่ห้าเวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์เรือ่องความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอุเบกขาบ้างเกิดเพราะอาศัยสัมผัสดังกล่าวมาแล้วในหมวดที่สี่อันนี้ก็หมายความว่าจากที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้น ที่เราได้สัมผัสกับมันทำให้เวทนาเกิดอันนี้สำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของคนเราเราต้องระวังเรื่องการสัมผัสต้องระวังให้มากถ้าหากว่าเราไปปรุงแต่งมันมากแน่นอนที่สุดเราก็เกิดเวทนานะถ้ารูปดีเสียงดีกลิ่นดีการสัมผัสดี แน่นอนที่สุดเรารู้สึกว่าเราเกิดสุขเวทนาเมื่อเกิดสุขเวทนาอย่างนี้เราก็สแสวงหาไอ้ตัวเวทนานี่มันตัวสแสวงหาสแสวงหาอารมณ์ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้ด้วยสุจริตก็ต้องหาด้วยชุดจริตอาจจะมีการจี้ปล้นข่าลักขโมยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาที่สุดก็คือเป็นทุกข์เป็นโทษ เมื ern, então, ่อเป็นทุกข vale ์เป็นโทษก็ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นอีกทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นนี่หรือบางทีเราได้สิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อะไรอะไรรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปทางนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกข์ทางนั้นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป แต่ที่เราว่าเป็นสุขมันเพราะว่าทุกน้อยนะเพราะว่าทุกน้อยอ่าฉะนั้นเนี่ยเราเป็นทุกข์กันทางนั้นนะเราเป็นทุกข์กันทั้งนั้นบางทีที่เราบอกว่าเป็นสุขเป็นสุขกันั้นมันเป็นสุขที่อิงอามิตรอิงกรรมมคุณห้าอ่าอิงกรรมคุณห้าอิงรูปอิงเสียงอิงกลิ่นอิงรสอิงการสัมผัสนี่อิงกรรมคุณห้าทุกขอิงอามิตรเจือปนด้วยอามิตรก็คือเจือปนด้วยเจือ สุขอันนี้ยังเป็นสุขที่จอมปลอมนะเป็นสุขที่จอมปลอมยังไม่ใช่เป็นสุขที่ปราศจากอามยิยังไม่ใช่เป็นสุขแท้ๆยังไม่ใช่เป็นสุขในธรรมแต่เป็นสุขถึงโลกโลกหรือเป็นธรรมก็ยังมีกิเลสตัณหายังมียังมีกิเลสขั้นละเอียดคืออนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจฉะนั้นตัว เวทนานี่ก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอันเกิดจากการสัมผัสฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสอะไรแล้วก็เราต้องมีสตินะมีสติมีความรู้สึกตัวคอยควบคุมอย่าให้เกิดการหลงไหลในเมื่อเราสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยที่เราจะต้องมีสติมีความรู้สึกตัวว่าทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลไปได้เสมอนะเปลี่ยนแปลไปได้เสมอเราพิจารณาอย่างนี้สบายใจนะสบายใจคือคืออยู่กลางๆนะแต่ทุกวันนี้เราหลงไหลไปฝันกันตาเห็นรูปก็เกิดความอรเด็จอร่อยในทางรูกเกิดการหัวเราะกันอย่างเฮฮาจนเกิดความ ลืมตัวนะบางคนลืมตัวอ่าหรือหูฟังเสียงก็เกิดความหลงไหลกันขึ้นนะลืมตัวอีกจมูกได้กลิ่นก็ลืมตัวอ่าลิ้นลิ้มรสก็ลืมตัวกายทุกท้องสัมผัสลืมตัวนี่บางคนแม้แต่ดูเอ่าหนังละครทีวีดูลิเกจําลองหนังละครก็ร้องให้ออกมานี่เขาเรียกว่าดูไม่เป็นเผลอตัวหรือบางคนก็เกลียดเห็นตัวไหนมันโกงจริงก็นึกเกลียดถึงกับด่าเ น, นี่ย บางทีออกเป็นข่าวมาทางหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุก็มีตามหนังสือพิมพ์หรือทางสถานีวิทยุเปรียดตัวโกงพอเห็นตัวโกงมันตายไปแล้วก็ด่าว่าตายซะได้ก็ดีมันสะใจะโกงดีนักนี่เขาเรียกว่าเราดูไม่เป็นเกิดสัมผัสแล้วทำให้เกิดความทุกข์มากถึงกับการทะเลาะเบาแวงกันบางคนก็ดูฟุตบอลฝ่ายของตนแพ้เขานะก็ไม่พอใจถึงกับด่าอาฆานี่ นี่เขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่มันมาสัมผัสแล้วก็เราควบคุมไม่อยู่นะทําให้เกิดความหลงไหลไฝฝันยึดมั่นถือมั่นจนเกิดกิเลสตัณหาเกิดการลบราค้าวปั่นการทะเลาะเบาแวงกันนี่อันนี้มีมากอาถนัดอันนี้แหละเราจะต้องทําใจเป็นกลางกลางนะทําใจเป็นกลางๆเกี่ยวกับเรื่องเวทนาที่เราสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขนะ์ในหมวดที่หกก็ตัวสัญญา สัญญาคือความจำได้หมายรู้อิงอายตนะภายนอกเกิดขึ้นในลำดับแห่งเวทนาเรียกชื่อตาม อ, นะอาณาณ์ภายนอกหกนะ เ, เรียกชื่อตามอาณาณภายนอกหกอาจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะธรรมารมอะไรนี่นี่แหละฉะนั้นตัวตัวสัญญาหมายถึงความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสอะไรนี่ ม, มาในหมวดที่เจ็ดสัญเจตนาสัญเจตนาคือความคิดอ่านปิงอญญาอาณะภายนอกเกิดขึ้นในลําดับแห่งสัญญาเรียกชื่อตามอาณะภายนอกหกเรียกชื่อตามอานะภายนอกหกเช่นรูปสัญเจตนาสัจธสรมเจตนาคัมธรรมเจตนารสตธรเจตน า, รนตนาหรือในข้อ ที่ห้าที่กล่าวมาแล้วจ้ะวะที่บอกว่าเกิดขึ้นตามอัจารภายนอก6สัญญาก็เช่นว่ารูปสัญญาสัพพะสัญญาคันทะสัญญารักษะสัญญาผลธรรมสัญญาธรรมะสัญญานี่ก็คือความสำคัญในรูปความจําได้ในรูปความจําได้ในเสียงความจําได้ในกลิ่นความจําได้ในรสความจําได้ในการสัมผัสถูกต้องหรือในการนึกคิดนี่เรารู้อันนี้เหมือนกันในตัวสัญเจตนานี่เป็นตัวความคิดอ่าน ความคิดอ่านอไอ้ความคิดอ่านในในที่เราเห็นรูปอืเราเห็นรูปแล้วก็คิด ไ, ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรัการสัมผัสแล้วก็คิดอ่านไปร้อยแปดธัระการนึกไป น, นึกคิดไปถ้าหากว่าเรานึกคิดในสิ่งที่มันถูก ท, ที่ควรมันก็ดีนะหรือคิดในสิ่งที่มันเป็นบุญก็มีประโยชน์ก็เป็นมงคลกับตัวเอง แต่ถ้าเรานึกคิดในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษนะ<อ>เกิดทุกข์เกิดโทษได้ฉะนั้นเราก็จะต้องนึกคิดแต่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อ่าเกื้อกูลแก่ตัวเองแล้วก็แก่ส่วนรวมก็จะทำให้เกิดประโยชน์มีความสุขกายสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างการนึกคิดเนี่ยจะต้องมีสติจะต้องมีปัญญามาในหมวดที่แปดตัณหา ตัณหาคือความทยานอยากเองอาจันะภายนอกเกิดขึ้นในลำดับแห่งสันเจตนาเรียกว่าเรียกชื่อตามอาจันะภายนอกครเช่นว่ารูปตัณหาสัทธตัณหาคันตัณหาละสตัณหาปฎภัตตัณหาธรรมตัณหาก็คือว่าความทะยานอยากในรูปว่างั้นนะตัณหาแปลว่าความทยานอยากก็อยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรส อยากในการสัมผัสมีความอยากในการนึกคิดอืมนี่มันก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์อีกเพราตัวตัณหานี่แหละจึงทําให้คนเราต้องตาหันไปตามๆกันตาหันอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ได้จัดไว้ในธรรมจักรไว้ตัณหานี่ยแหละมันเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์เป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ในอริยสัจสี่ 4. สมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือได้แก่ตัวตัณหากามาตัณหาเพราะวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะ น, หานี่เราจะได้ตัวตัณหาตัณหาในในรูปเห็นรูปก็เกิดความพอใจอยากได้รูปรปไม่ดีก็ไม่อยากได้นไม่อยากได้รูปดีก็อยากได้ทีนี้ไอ้ของอะไรที่มันจะได้ตามที่เรานึกคิดแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึ ก, ก่็จะฝืนความปัางต้หนาของเรา บางครั้งเราได้มาแล้วเราก็เกิดอุปาทานมากขวงแหนมากนะจะทําอะไรจะไปไหนก็รู้สึกว่ามันกังวลไปหมดน่ะไปยึดมั่นว่ามันเป็นของเราจะต้องอยู่กับเราจะต้องไม่เปลี่ยนไม่แปลท ง, ทงทั้งๆที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราไปยึดมัน่นถือมั่นว่าจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจะต้องอยู่กับเรานี่จึงบางครั้งเนี่ยเราเกิดรักชอบพอใครหรือเราเป็นปรรยาสามีกัน e, เราเกิดความหึงหวงแหนมาก จงเกิดการทะเลาะเบาแวงกันเกิดการฆ่ากันอันนี้เราได้เห็นได้รับรู้อยู่บ่อยๆนี่ก็เพราะไอ้ตัวตัณหานี่เองนะตัวตัณหาติดรูปติดเสียงติดกลี่นติดรสนี่สำคัญฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจึงบอกว่าเป็นภัยสำหรับตัวเองมากถ้าหากว่าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจฉะนั้น เราจะเห็นรูปโคตรดีหรือว่าเราในเมื่อเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนะจนทําให้เกิดความพยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วเราจะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วฉะนั้นถ้าในทางในแง่ดีก็คือว่าเราจะต้องหารู้จับยับยัง้งนะรู้จับยับยั้งก็คือด้วยการดับตัวตัณหาการที่จะดับตัวตัณหาได้ก็ได้แก่ตัวนิโรดนั่นเอง ตัวนิโรความดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงที่ดับได้โดยสิ้นเชิงนั้นก็คือหนทางให้ดับโดยสิ้นเชิงก็คือนีโรทคามินีปฏิปทาก็คือได้แก่มรรคมีองค์แปดนั่นเองนะมรรคมีองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีิวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละก็จะดับได้โดยสิ้นเชิงฉะนั้น โทถึงในหมวดที่แปดเรื่องปัญหาคือความทยานอยากที่อิงอายตนะภายนอกก็คืออิงโลกอิงเสียงอิงกลิ่นอิงรสอิงโผฏฐัพพะหรืออิงธรรมก็ในทํานองเดียวกันนะในทํานองเดียวกันมาในข้อที่เก้าวตตกวิตกก็คือความตรึกนึกคิด นี่ก็อิงอาณาภัยนอก <Okay. S 1> เกิดขึ้นในลำดับแห่งตันหาเรียกชื่อตามอานะภายนอกหกเรียกชื่ อ, อยังไงก็เรียกชื่อว่ารูปวิตกตกัทธาวิตกคันทาวิตก ร, รัะวิตกโพธพะวิตกธรรมาวิตกนะอันนี้ก็พูดระหว่างบาลีกับไทยปนกันบ้างจริงๆแล้วก็ทั่ว อรูปวิจักกะนะตัฐวิจักกะคัมทวิจักกะรสศวิตักกะปสภาวิตักกะธรรมวิจักกะไอวิจักกะก็คือวิตกนั่นเองนะไอความตรึกนึกคิดนะความตรึกนึกคิดออันนี้ก็เนื่องมาจากตัวตัณหานะเนื่องมาจากตัวตัณหาอ่เนื่องมาจากตัวตัณหาที่ที่เราได้พอใจหรือว่าติดใจอยู่ในรูป ในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆเนี่นทําให้เราเกิดความวิตกนึกคิดไป 8, ร้อยแปดพันประการเห็นรูปแล้วก็คิดไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อในเสียงเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อในกลิ่นเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รสก็เป็นอย่า ง, ง, น, งนั้นเราคิดไปด้วยปรุงไปอยู่ด้วยทําให้มันเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นอแล้ววิตกก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ เหมือนกับเราได้ภรรยาสามีนที่ดีแล้วที่สวยแล้วก็เราก็เกิดความวิตกกขึ้นมาจะอยู่ห่างจากเราก็วิตกกลัวว่าคนอื่นจะมาจี๊แฟนเราะจะาไว้อยู่บ้านก็กลัวคนอื่นจะมาอชักนําเอาไปน่ไปไหนก็เกิดวิตกเกิดความห่วงใยเกิดความนึกคิดทําให้เราทําอะไรไม่ค่อยสะดวกไปไหนไม่ค่อยสะดวกนี่แหละมันกลายเป็นเครื่องสัง่งยโสเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราทําให้เรา โภเครื่องพันฒนาการต่างๆโภ พ, พันจนไม่เป็นอนธรรมมาหากินนะคิดแต่ในทางที่ไม่ดีไม่งานนะในทางที่ไม่ดีไม่งานพูดง่ายๆก็คือในอกุศลวิตก3ากเรียกว่ากามวิตกนะพยาบาทวิตกหญิงสาววิตกนี่คิดอยู่แต่อย่างนี้เองมาในหมวดที่สิบก็คือวิจาร วิจารณก็ได้แก่ความตรองความตรองการพิจารณานี่ก็อิงอายจันทภายนอกเกิดขึ้นในลําดับแห่งวิจตกเรียกชื่อตามอายจันทภายนอกเชียนว่าอรูปวิจารสัทธาวิจารหรือที่เรียกว่ารูปอะโรปวิจารโรสัทธาวิจารโรคัมทาวิจารโรรัาวิจารโรปุถะพวิจารโรธรรมวิจารโร คือมีความตรองมีความพิจารณาในรูปอพิจารณามีความตรองในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสในการนึกคิดอืมอันนี้ก็อาศัยอ า, านะภายนอกกอกทางนั้นะฉะนั้นอ า, านะภายนอกกอนี่ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากที่จะทําให้เราเกิดจิเลสตันหาเกิดความยึดมั่นถือมั่นที่จะทําให้เราต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะเราสัมผัสกับอ า, านะภายนอกนินมากที่สุด ขอให้เรานึกดูนะลองนึกดูพระพุทธองค์ท่านในตรัสเลยว่าทุกข์จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นทางหกทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจากการสัมผัสกันในเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่แหละทุกข์จะเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, นทางหกทางนี้ และทุกจะหมดไปก็หมดไปทั้งหกทางนี้อีกเหมือนกั น, นทั้งหกทางนี้แต่หมดไปยังไงหมดไปเพราะการที่เราได้รู้จักสัมรวมระวังสัมรวมระวังในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลียมรักายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆอย่าให้เรายินดียินร้ายนอย่ายินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปอย่ายินดียินร้ายในเมื่อหูฟังเสียง ย่าย well, ินด right? like ียินร้ายในเมื่อจะูมกดมกลิ่นอย่ายินดียินร้ายในเมื่อลิ้มลิ้มรสอย่ายินดียินร้ายในเมื่อกายถูกต้องสัมผัสอย่ายินดีและอย่ายินร้ายในเมื่อเรานึกคิดในอารมณ์ต่างๆให้เราวางใจเป็นกลางนะเราวางใจเป็นกลางๆการที่เราวางใจเป็นกลางนั่นแหละคือความพอดีไอ้ความพอดีนั่นแหละคือความดีคือความสุขคือความเจริญ แต่ถ้าเราไม่วางใจเป็นกลางมันก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนฉะนั้นทุกข์จะหมดไปก็หมดไปตรงนี้นะหมดไปตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราเมื่อเราสังรวมทางตาหูจมูกเลี้ยงไขใจแล้วเราก็ต้องมาเจริญมนานสิกการกรรมฐานก็คือว่าทำกรรมฐานไว้ในใจโดยอุบายที่สุขุมรอบครอบคือพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เป็นปฏิปักษต่อกรมฉันท์น ต่อความพอใจในการโดยการพิจารณาสังขารคือร่างกายภายในว่ า, าพิจารณากายยคตาสติมีสติพิจารณาภายในร่างกายเป็นของนาเกลียดเป็นของสกปรกเป็นของโส โ, โ, โครกและพิจารณาสังขารภายนอกให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นใจนะักคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ตัดกิเลสตายคายกิเลสทิ้งเห็นจริงถึกปามไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเราก็จะพ้นจากความทุกขออ์และก็ถึงความสุขคือพระนิพพานนี่นี่เป็นเรื่องของอการบรรยายเปรียรูปสาตรูปพอเป็นแนวทางย่อยๆทีนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าตัณหาจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยทำอะไรและเมื่อดับได้นั้นเพราะอะไร อันนี้เราก็แก่ว่าอาตันหาเมื่อจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยปิยรูปสาตรูปและเมื่อจะดับได้นั้นเพราะอาศัยความวางเป็นกลางในปิยรูปสาตรูปคือไม่ทำกายใจให้วิกชนวิการเพราะปิยรูปสาตรูปขอ้อทายถามอีกว่าวิญญาณห้ากับวิญญาณหกไม่เหมือนกันโดยเข้าเงื่อนหรือเพราะเหตุไรจึงตอบอย่างนั้น อันนี้เราก็แก่ว่าไม่เหมือนกันโดยเขาเงื่อนเพราะว่าวิญญาณห้าหมายเอาทั้งส่วนกุศลและอกุศลส่วนวิญญาณหกนั้นหมายเอาเฉพาะธรรมที่เป็นอกุศลอย่างเดียวเป็นบอกเกิดแห่งตันหานี่เป็นบอกเกิดแห่งตันหานคือขอให้รู้ว่าวิญญาณห้านั้นเอาทั้งส่วนดีและส่วนชั่วแต่ว pues ิญญาณหกนั้นเอาทั้งส่วนชั่วอย่างเดียวหมายถึงส่วนชั่วอย่างเดียวหรือถ้าจะถามว่า วิจารหกหรือวิจาระหกนี้ไม่เหมือนกับวิจาระในองค์แห่งฌานดอกหรือหรืออย่างไรเราบอกไม่เหมือนกันวิจาระหกนี้เป็นอัดส่วนส่วนเลวช้าต่าามเป็นบออเกิดแห่งตัณหาแต่และอย่างละอย่างส่วนวิจารในองฌานนั้นเป็นความตรองที่เป็นไปในฝ่ายดี ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสกรรมและอกุศลธรรมแต่วิจารณ์ในหมวดที่สิบของปิยรูปสาตรูปนี้ที่ว่าความตรองที่อิงอาจนะภายนอกเกิดขึ้นในลําดับแห่งวิตกอันเนื่องมาจากวิตกอันนี้หมายถึงในทางที่ชั่วในทางที่ชั่วประกอบไปด้วยกิเลสการรมกิเลสการมและอกุศลธรรมที่เรียกว่า อารมณวิจาระสัท ธ, ธวิจาระอวิจารณ์ในรูปวิจารณ์อความตรองในรูปตรองในเสียงตรองในเกินตรองในรสตรองในสัมผัสตรองในความนึกคิดออันนี้เป็นไปในฝ่ายที่ไม่ดีทางนั้นฉะนั้นอันนี้แหละก็พอเป็นแนวทางกับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายอะจะได้พินิจพิจารณาเอาไป เป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเปียรูปสาตรูปหมวดละสิบมาก็พอหนวดละหกมีสิบหนวดก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัส ด, ดีโดยทั่วกันขอเจริญพร